จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญไฝ่บุญไฝ่กุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23่าธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 0เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ของพุทธศาสนิกชนที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้เพื่อเป็นที่พึ่งเป็นสารณะของจิตใจเพราะจิตใจก็เป็นเหมือนกับร่างกายที่ต้องมีที่พึ่งที่หลบภัยเช่นเรามีบ้านอยู่ เพื่อจะได้หลบภัยจากลมจากฝนจากฟ้าจากอากาศจากสัตว์ต่างๆและจากบุคคลที่ไม่หวังดีทั้งหลายถ้าเราไม่มีบ้านอยู่หลับนอนเราก็อาจจะถูกทำร้ายได้ฉันใดใจก็เช่นเดียวกันใจก็ต้องมีเรือนมีบ้าน มีที่หลบภัยแต่ภัยของใจนี้ไม่เหมือนกับภัยของกายภัยของใจนี้คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดีการพัดพรากจากกันก็ดีความสมหวังการประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆก็ดี ลวนจะทำให้ใจนั้นมีความทุกข์มีความกังวลกวายใจมีความวุ่นวายใจมีความเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราได้มีสาระที่พึ่งทางใจแล้วภัยต่างๆเหล่านี้จะไม่มากระทบกับจิตใจเวลาเราแก่เราก็จะรู้สึกเฉยๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรู้สึกเฉยๆ เวลาจะตายก็รู้สึกเฉยเฉยเวลาที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะใจนี้สามารถรับกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าจะรับในรูปแบบไหนเท่านั้นถ้าไม่มีสาระที่พึ่งทางใจก็จะรับด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจ ถ้ามีสรณะมีที่พึ่งก็จะรับได้อย่างสุขสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ได้รับการสร้างสารณะที่พึ่งในจิตใจไว้เต็มที่แล้วจะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านไม่ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายจะสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปสูญเสียคนนั้นคนนี้ไปหรือจะต้องเผชิญกับมารชนิดต่างๆเผชิญกับวิบากกรรมชนิดต่างๆก็จะไม่กระทบกระเทือนกับจิตใจเลยเพราะจิตใจมีเกราะคุ้มกัน คือทำมังสารนระฉามินี่เองคือการศึกษาและการนำเอาสิ่งที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนเพราะเมื่อได้ปฏิบัติแล้วใจก็จะรู้จากวิธีที่จะปฏิบัติกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ใจจะรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วน เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้มอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดามีการมามีการไปเป็นธรรมดารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงมีความทุกข์แถมมาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นของเรา ถ้ารู้อย่างชัดแจ้งแล้วใจก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่หวังไม่อยากจะได้ให้เป็นไปตามความปรารถนาของใจเมื่อไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้จิตใจได้สัมผัส ร, รับรู้นี่คือเป้าหมายของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจความทุกข์ที่เกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่ใจได้ไปเกี่ยวข้องด้วยและไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติตอนนี้พวกเราจะรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ นั้นไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นเหมือนกับของที่ยืมเขามาสัากวันหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของไปดังนั้นเราจึงควรฝึกไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆด้วยการเสียสละการเสียสละนี้เป็นการฝึกหัดให้ปล่อยวางในสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีอยู่กับตัวเรา เพราะว่าถ้าเราไม่เสียสละเราก็จะมีความยุดติดมีความหวงแหนมีความห่วงใหยแต่ถ้าเรารู้จักเสียสละรู้จักให้ไปกับผู้อื่นบ้างเราก็จะรู้จักปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดมากจนเกินไป หรือไม่ยึดไม่ติดเลยก็เป็นไปได้เมื่อเราไม่ยึดไม่ติดกับวัตถุเข้าของต่างๆแล้วเวลาที่เราสูญเสียวัตถุไปเข้าของไปเราจะไม่เสีย อ, อกเสียใจแต่เรากลับรู้สึกโล่ง อ, อกโล่งใจเบา อ, อกเบาใจหมดปัญหาหมดภาระกับเข้าของสิ่งนั้นไปทันทีเช่นคนที่เคย เสียสละด้วยการบริจาคทรัพย์อยู่อย่างสม่ำเสมอทำบุญให้ทานอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วเวลาที่มีขโมยมาลักทรัพย์ของตนไปจะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจแต่อย่างใดกลับรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับการทำบุญที่ง่ายดายเสียอีกเพราะไม่ต้องไปวัดให้เสียเวลา ไม่ต้องเอาเงินไปทำบุญที่วัดมีคนมารับประจากถึงที่บ้านเลยนี่คือจิตใจของคนที่เคยทำบุญให้ทานเคยเสียสละจะไม่ยึดไม่ติดกับสมบัติเข้าของเงินทองเพราะรู้ว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพากจากกันไปนี่คือ คนที่เคยทำบุญให้ทานอย่างสม่าเสมอจะได้เปรียบกับคนที่ไม่ทำบุญให้ทานเพราะคนที่ไม่เคยทำบุญให้ทานนี้จะมีความหวงแหนในสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจะยึดจะติดจะห่วงจะกังวลกับสมบัติเข้าของเงินทองพอสูญเสียสมบัติเข้าของเงินทองไปแม้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะเกิดความ ว่าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาในจิตใจเกิดความเสีย อ, อกเสียใจเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาเป็นไฟแห่งความทุกข์เผาผลาญจิตใจแทนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับจิตใจก็กลับกลายเป็นไฟนรกขึ้นมา ท, าทันทีเพราะไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักเสียสละนั่นเอง พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราให้รู้จักให้พยายามเสียสละอยู่เรื่อยๆอย่าไปหวงแหนในสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีเกินความจำเป็นที่เหลือกินเหลือใช้เพราะว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์เวลาอยู่ก็สร้างภาระทางด้านจิตใจต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยกังวล ต้องคอยห่วงต้องคอยห่วงมีแต่ความทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าใจกว้างรู้จักเสียสละรู้จักให้เวลาที่เห็นว่ามีความจำเป็นที่ควรจะเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นก็ให้ได้อย่างไม่รู้ไม่ไม่ตะกิตตะหวงใจไม่เสียอกเสียใจ เขารู้ว่าให้แล้วเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้รับและผู้ให้ผู้รับก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ที่ให้ไปผู้ให้ก็ได้ประโยชน์คือความสงบสุขเป็นบุญเป็นกุศลที่จะพาให้จิตใจได้ไปสู่สุขติได้ไปเกิดที่ดีหรือได้ไปถึงพระนิพพานเลยถ้ากล้าเสียสละ สิ่งที่ตนรักหวงแหงมากเท่าไรก็จะได้ไปที่สูงขึ้นไปมากเท่านั้นจนไปถึงพระนิพพานได้เลยถ้าเรากล้าเสียสละชีวิตของเราถ้าเราไม่ยึดไม่ติดกับสังขารร่างกายของเราพอรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วต้องตายอย่างแน่นอนสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วถ้ายึดยึดถ้ายึ ด, ยดติดก็จะทำให้ใจนั้น ว่าวุ่นขุนมัวทุกร้อนเป็นเหมือนไฟนรกเผาผลาญจิตใจตายไปก็จะไม่ได้ไปสู่สุคติถ้าปล่อยวางได้ถ้าเสียสละชีวิตนี้ได้ไม่หวงแหนตายไปก็จะไปสู่พระนิพพานได้อย่างแน่นอนเพราะพระนิพพานนี้อยู่ฝากตายคำว่าอยู่ฝากตายก็คือว่าถ้าเราไม่ยอมตาย เราจะไม่ได้ไปพระนิพพานถ้าเรายังหวงในชีวิตในสิ่งต่างๆอยู่เราก็จะยึดติดกับสิ่งต่างๆความยึดติดเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุทำให้เราต้องไปเกิดใหม่เพราะเมื่อเราเสียสิ่งนี้ไปเราก็อยากจะได้มันกลับมาใหม่เหมือนกับเราเสียอะไรไปเรามักจะไปหาซื้อมาใหม่ทันทีถ้าเรามีกำลังที่จะซื้อได้ เพราะเรายังยึดติดกับสิ่งนั้นๆอยู่ถ้าเราเสียรถยนต์ไปพอเรามีเงินพอที่จะซื้อรถยนต์คันใหม่เราก็จะซื้อรถใหม่ทันทีเพราะว่าเรามีความยึดติดฉันใดถ้าเรายังมีความยึดติดอยู่กับชีวิตของเรา <c oughs> พอเราตายไปเราก็จะไปเกิดใหม่ทันทีเ <c oughs> พราะเรายังมีความอยากที่จะเกิดอยู่ แต่พอแต่พอเกิดมาแล้วเราก็ต้องมารับมารับทุกข์ในรอบใหม่อีกเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอีกต้องพัดพรากจากสิ่งต่างๆ่างอีกต้องทุกข์อีกแต่ถ้าเรากล้าที่เสียสละชีวิตของเราได้เพราะรู้ว่าชีวิตนี้เกิดมาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องตาย ยึดติดก็จะทำให้เราไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดเมื่อถึงเวลาที่จะตายก็ให้มันตายไปตามเรื่องของมันไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนถ้าตายแบบนี้ก็จะไปถึงพระนิพพานได้เพราะว่าใจปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่ปรารถนาที่จะเกิดอีกต่อไป คาพระนิพพานก็คือการไม่เกิดนั่นเองผู้ที่ไปถึงพระนิพพานแล้วไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่แล้วก็ไปทุกข์กับภพบนั้นๆไม่มีภพไหนในโลกนี้ในในตายโลกในโลกทั้งสามของสังสารวัตคือการมาโลกรูปโลกและอรูปโลกล้วนเป็น ล้วนมีความทุกข์อยู่ด้วยทั้งนั้นถึงแม้จะไปเกิดบนสวรรค์ก็มีวันเสื่อมได้หมดได้เมื่อหมดบุญจากสวรรค์ก็ต้องเสื่อมลงมาเกิดเป็นมนุษย์และถ้ามาทำบาปทำกรรมก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างการเกิดในทุกภพทุกชาติจึงมีความทุกข์อยู่ทั้งนั้น เพียงแต่ว่ามีมากหรือมีน้อยต่างกันไปแต่การที่จะไม่มีความทุกข์นั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่มีหรือเป็นไปไม่ได้เพราะทุกข์จะไม่มีกับผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังเกิดอยู่ก็ยังต้องทุกข์อยู่ดังนั้นเราขอให้เราพยายามสอนใจสอนใจเราตลอดเวลา เพื่อกันลืมว่าเราเกิดมาแล้วมีความแก่ความเจ็บไข้ความตายมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาถ้าเราคอยสอนใจไว้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วเมื่อเวลาถึงเวลาที่เราจะต้องเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายเผชิญกับการพัดพากจากกัน เราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เสียอกเสียใจเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรามีปัญญาคอยป้องกันไม่ให้ใจสร้างความทุกข์ขึ้นมานั่นเองเหตุที่พวกเราทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ก็เพราะเราขาดปัญญา เราไม่คอยสอนใจให้เราเตรียมรับกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะใจเรายังมีความหลงจึงทำให้มีความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราซึ่งส่วนใหญ่มันขัดกับความจริงพวกเราทุกคนอยากจะมีชีวิตอยู่ไปยืนยาวนานหรืออยู่ไปได้ตลอดได้ยิ่งดีไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากพัดพลาคจากสิ่งต่างๆที่เรารักและไม่อยากเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เราไม่ปรารถนาแต่มันเป็นสิ่งที่ขัดกับความจริงไม่ว่าใครที่อยู่ในโลกนี้ทุกคนจะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายจะต้องเจอกับการพัดพลาคจากกันจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาด้วยกันทั้งนั้น แต่คนที่มีปัญญาที่คอยสอนใจไว้อยู่เรื่อยๆแล้วจ ะ, ะเผชิญได้อย่างสงบเย็นสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนที่ไม่มีปัญญาไม่คอยสอนตนเองอยู่เรื่อยๆว่าสักวันหนึ่งจะต้องเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจ ความเสียใจบางทีถึงกับไม่มีความปรารถนาที่จะอยู่ต่อไปถึงกับต้องทำลายชีวิตของตนเองไปก็ได้เพราะขาดปัญญาที่คอยเดี่ยวรั้งใจไม่ให้ไปคิดในทางอกุศลคิดไปในทางที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่พวกเราไม่เข้าใจคิดว่า เวลาเราคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายแล้วเป็นอกุศลเป็นเหมือนกับแช่งตัวเองให้แก่ให้เจ็บให้ตายเร็วๆแต่ความจริงในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆนี้เป็นปัญญาเป็นกุศลเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของใจเพราะถ้าเรามีปัญญาแล้ว เราจะปล่อยวางเราจะไม่ยึดไม่ติดเพราะเรารู้ว่าเวลาที่เรายึดเราติดเราจะทุกข์วุ่นวายใจมากทรมานจิตใจมากแต่พอเราปรงได้วางได้ปล่อยได้ใจของเราก็จะโล่งขึ้นมาทันทีมีความสุขขึ้นมาทันทีกับดีใจเสียอีกว่าไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆอีกต่อไปไม่ต้องกังวลกับคนนั้นกับคนนี้ กับเรื่มนั้นกับเรื่อง น, น, องนี้ถ้าเขาไปจากเราได้เราก็หมดภาระกับเขาไป ท, ทันทีนี่คือความรู้สึกในใจของผู้ที่มีปัญญาจะเป็นอย่างนั้นจะเห็นคุณประโยชน์ของการปล่อยวางจะเห็นคุณประโยชน์ของการเจริญการเกิดแก่เจ็บตายการพัดพากจากกันเพราะเป็นเหมือนกับอาวุธไว้ป้องกันใจนั่นเอง นี่แหละที่เราเรียกว่าธรรมังสารนามกัจฉามิเป็นอย่างนี้คือปัญญาความรู้ตามความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจต้องสัมผัสรับรู้เช่นรู้ว่าร่างกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องรู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเราสมบัติที่เรามีอยู่สักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปไม่ช้าหรือก็เร็ว บางอย่างก็ไปเร็วบางคนก็ไปเร็วบางคนก็ไปช้าบางอย่างก็ไปช้าไม่ไม่แน่นอนไม่เท่ากันแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือต้องไปด้วยกันทั้งนั้นจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเราสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆคอยสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆไม่ให้ลืมเราก็จะไม่ยึดไม่ติด แต่พอเราลืมเมื่อไหรเราก็จะยึดติดทันทีเราจึงต้องเจริญอยู่เรื่อยๆนังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานุนทรงถามพระอนท์ว่าอานุ์วันหนึ่งเธอได้เจริญมรณานุสติคือความตายมากน้อยเพียงไรพระอานนุ์ก็ตอบทูลตอบไปว่าก็เจริญวันละห้าหกครั้ง เช่นเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานนท์เธอยังประมาทอยู่เธอยังไม่สามารถป้องกันภัยที่จะมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเธอได้ถ้าเธอต้องการที่จะไม่ให้มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเลยเธอจะต้องเจริญมานานุสติ ทุกลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียวถึงจะสามารถป้องกันความทุกข์ที่เกิดจากความหลงที่หลอกให้ใจไปยึดไปติดไปอ ย, อยากอยู่นานๆได้เพราะความหลงนี้ทำงานอยู่ตลอดเวลามันคิดอยู่ตลอดเวลาคิดอยากจะอยู่ไปตลอดเวลาคิดอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตลอดเวลา เพราะดังนั้นเราจึงต้องเจริญมรณาทุสติคือการดับของชีวิตของร่างกายนี้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันถึงจะทันกับภัยของกิเลสคือความคือความหลงที่จะหลอกให้สร้างความทุกข์ขึ้นมาหลอกให้อยากอยู่ไปนานๆแต่ถ้าเรามีการเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆแล้ว ใจของเราจะวางเฉยจะไม่อยากอยู่ไปนานๆแต่ก็ไม่อยากตายจะอยู่เฉยๆเป็นกลางอยู่ก็ได้ตายก็ได้เพราะถ้าเกิดอยากจะอยู่แล้วต้องตายก็จะทุกข์ทรมานใจหรือถ้าอยากจะตายแต่ยังต้องอยู่ก็ต้องทุกข์ทรมานใจเหมือนกันแต่ถ้ารู้แล้วว่าเมื่อถึงเวลาก็ไปเมื่อถึงเวลา ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องไปก็ยังไม่ต้องไปก็อยู่ต่อไปถ้าทำใจอย่างนี้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจกับทั้งขณะที่อยู่หรือทั้งขณะที่กำลังต้องไป<ม>เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆที่จะอยู่กับเราหรือจะต้องจากเราไปไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ตามเป็นบุคคลต่างๆก็ตาม ก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลายังเขายังอยู่กับเราก็ให้เขาอยู่ไปเมื่อถึงเวลาที่เขาจะจากไปก็ให้เขาจากไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้รับรองได้ว่าใจของเราจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความมุ่นหวายใจจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายนี่แหละคือสาระที่พึ่งของใจเป็นอย่างนี้ เกิดจากการได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นในวันนี้ที่สอนให้เจริญมณนนุสติสอนให้พิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายถึงการพาดพลาดจากกันว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นําเอาไปบำเพ็ญเอาไปเจริญต่อเอาไปพิจารณาต่อ เอาไปคิดอยู่เรื่อยๆให้เป็นเหมือนกับอาวุธคู่มือของเราเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเวลาใดก็ขอให้เรามีความคิดพิจารณาเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเรามีแล้วเราจะไม่โลภกับอะไรเราจะไม่อยากกับอะไรและเราจะไม่โกรธกับอะไรเพราะถ้าเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธ ความโกรธนี้เกิดจากความโลภเกิดจากความอยากเวลาเราไม่ได้อะไรดังใจเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่โลภไม่อยากกับอะไรเพราะเรารู้ว่าได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องเสียมันไปได้มาแล้วก็เป็นภาระทางจิตใจทำให้ต้องห่วงต้องกังวลต้องคอยดูแลรักษาเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่โลภไม่อยากได้ เราก็จะไม่โกรธเราก็จะไม่เสีย อ, อกเสียใจ <c oughs> เวลามีอะไรจะสูญเสียอะไรไปเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเราได้อะไรมาเราก็จะไม่ดี อ, อกดีใจเพราะเรารู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องเสียมันไปนี่คือการสร้างสาระที่พึ่งทางใจขึ้นมา ด้วยการได้ยินได้ฟังแล้วก็นำเอาไปเจริญต่อเอาไปบาเพ็ญต่อเรียกว่าเป็นการภาวนาถ้าเราสามารถพิจารณาได้อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเราก็จะมีปัญญาไว้คอยคุ้มครองป้องกันจิตใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นเวลาใครจะจากเราไป เราก็ไม่เสียอกเสียใจไม่เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่เจริญอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาคนที่รักที่เรารักหนีจากเราไปเราก็จะเสียใจเราก็จะโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทขึ้นมาได้และเราอาจจะต้องทำไปต้องไปทำในสิ่งที่เสียหายตามมา เมื่อเรามีความแค้นความอาฆาตพยาบาทเราก็อาจจะไปฆ่าเขาได้เมื่อฆ่าแล้วเราก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปคือในปัจจุบันก็ต้องหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่เช่นนั้นก็ถูกจับไปลงโทษเข้าคุกเข้าตารางตายไปก็ต้องไปตกนรกไปเกิดในอบาย แต่ถ้าเรามีปัญญาสอนใจไว้อยู่เรื่อยๆพอเวลาใครจะจากไปจะหนีจากเราไปเราก็จะไม่โกรธแค้นไม่อาฆาตพยาบาทเพราะเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเขาต้องจากเราไปอย่างแน่นอนเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วเมื่อเราเตรียมใจเตรียมตัวไว้ได้แล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็จะรู้สึกเฉยเฉย ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่อย่างไรนี่แหละคือความวิเศษของการมีสาระที่พึ่งทางใจขอให้เราจงพยายามนำอามาบําเพ็ญนำอามาเจริญอยู่เรื่อยๆให้เป็นอาวุธคู่กายคู่ใจของเราเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารที่เวลาออกปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีปืนติดตัวไว้เสมอเพราะจะได้ใช้ในเวลาที่จำเป็นฉันใดพวกเราก็เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ตารวจเหมือนกันเพราะเราก็มีผู้ร้ายที่จะมาคอยทำลายสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเราจึงต้องมีอาวุธคู่ใจก็คือมีปัญญาคือการเจริญมรรณะนสติ หรือการเจริญอนิจจงทุกขังอนัตตาเจริญพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่จีรังถาวรมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแจ้จริงถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปโลกไปอยากได้มา เพราะเท่ากับเป็นการเอาความทุกข์เข้ามาใส่ใจของเราเพราะไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเราไม่สามารถไปบังคับควบคุมให้อยู่กับเราไปได้ตลอดและเราไม่จำเป็นจะต้องมีสิ่งต่างๆเพราะใจนี้ไม่มีไม่มีความจำเป็นจะต้องมีอะไรยิ่งมีน้อยเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นยิ่งไม่มีอะไรเลย ยิ่งมีความสุขได้เต็มที่เช่นจิตที่อยู่ในพระนิพพานไม่มีอะไรเลยปรลังสุญญยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่จิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะมีร่างกายจะมีสมบัติเข้าของเงินทองจะมีคู่ครองมีลูกมีสามีมีภรรยาก็จะมีความวุ่นวายกับสิ่งต่างต่างบุคคลต่างต่างเหล่านี้ นี่แหละคือธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ใจไม่ได้สุขเพราะมีสมบัติมีอะไรมากมายก่ายกองแต่กับจะมีความทุกข์มากไปตามสิ่งที่มีอยู่เพราะใจหลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงนั่นเองเมื่อไม่เที่ยงแล้วเวลาที่จากไปก็จะต้องเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยก็จะไม่มีอะไรจะต้องเสีย อ, อกเสียใจด้วย ไม่มีอะไรที่จะต้องมาคอยห่วงคอยกังวลด้วยเพราะพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพยายามสร้างสาระที่พึ่งขึ้นมาพยายามทำจิตใจของเราให้ว่างไว้อย่าไปยึดอย่าไปติดกับสิ่งต่างๆแล้วเราจะมีความสุขทั้งในขณะที่เราอยู่และขณะที่เราไปจะอยู่หรือจะตายก็ไม่สำคัญอะไร จิตใจจะไม่เดือดร้อนจะได้อะไรมาหรือจะเสียอะไรไปก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจนี่คือความประเสริฐของสาระที่พึ่งทางใจที่พระพุทธเจ้าได้สมมอมให้กับสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ที่ว่าสัตว์โลกนั้นมีปัญญาที่จะเห็นคุณค่าของที่พึ่งอันนี้หรือไม่หรือจะเป็นเหมือนกับไก่ที่ได้ปลอย แล้วไม่เห็นคุณค่าของพลอยเพราะไก่นี้ชอบหาแต่ตัวหนอนอย่างเดียวอยากกินแต่ตัวหนอนอย่างเดียวแต่ได้พลอยมาก็ไม่รู้จักเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์พวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของธรรมังสารณาังกัฉามิไม่เห็นคุณค่าของธรรมะที่เป็นสรณะนะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราเราก็จะเป็นเหมือนกับไก่ที่ได้พลอย ไม่รู้จักเอาประโยชน์จากพลอยที่หาได้มาก็ต้องมีแต่ตัวหนอนเป็นสาระเป็นที่พึ่งถ้าพวกเราไม่เห็นธรรมะเป็นสารณะเราก็จะไปเห็นเงินทองเป็นที่พึ่งเห็นบุคคลต่างๆเป็นที่พึ่งเห็นสมบัติต่างๆเห็นสิ่งของต่างๆเป็นที่พึ่งเมื่อเราไปยึดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นที่พึ่งเราก็ต้องมาทุก มาวุ่นวายใจมาเศร้าโศกเสียใจดังนั้นขอให้เราพยายามพิจารณาให้เห็นคุณค่าอันปเป็นเสริฐของพ่อธรรมธําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามน้มเอาเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบัติแล้วเราจะได้สารณะที่จะดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแข็งค่ า, าปลอดภัย จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจึงขอฝากเรื่องของการสร้างสารณะนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศริรัชนัไตรและบุญกุลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญแค็งแกราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ